นวกรร ม, มทานกถาว่าด้วยวิธีการที่ภิกษุให้นวกรรมเรื่องภิกษุชาวเมืองอารวีให้นวกรรม ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกีดาคิรีชนบทตามพระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางเมืองอารวีเสด็จจาิกไปโดยลาดับจนถึงเมืองอารวีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัคคาลวะเจดีในเมืองอารวีนั้นสมัยนั้น พวกภิกษุชาวเมืองอาละวีให้นวกรรมอย่างนี้คือให้นวกรรมด้วยอาการเพียงวางก้อนดินบ้างให้นวกรรมด้วยอาการเพียงฉาบทาฝาบ้างให้นวกรรมด้วยอาการเพียงติดตั้งประตูบ้างให้นวกรรมด้วยอาการเพียงติดสายอยู่บ้างให้นวกรรมด้วยอาการเพียงติดตั้งกรอบเช็ดหน้าบ้าง ให้นวกรรมด้วยอาการเพียงทาสีขาวบ้างให้นวกรรมด้วยอาการเพียงทาสีดำบ้างให้นวกรรมด้วยอาการเพียงทาสีเหลืองบ้างให้นวกรรมด้วยอาการเพียงมุงหลังคาบ้างให้นวกรรมด้วยอาการเพียงผูกมัดหลังคาบ้างให้นวกกรรม ด้วยอาการเพียงติดไม้หลบหลังคาบ้างให้นวกรรมด้วยอาการเพียงปฏิสังขรเสนาสนะที่สุดโทมบ้างให้นวกรรมด้วยอาการเพียงขัดถูบ้างให้นวกรรม20ปีบ้างให้นวกรรม30ปีบ้างให้นวกรรมตลอดชีวิตบ้าง ให้นวกรรมวิหารที่สร้างเสร็จแล้วชั่วเวลาแห่งควันไฟบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตําหนิประนามโพนทนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวเมืองอาลวีจึงมอบนวกรรมให้อย่างนี้คือให้นวกรรมด้วยอาการเพียงวางก้อนดินบ้างให้นวกรรมด้วยอาการเพียงฉาบทาฝาบ้าง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 ทรงแสดงธรรมีคถารับสั่งกับภิกษุทัทท้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงวางก้อนดินไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงฉาบทาฝาไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงติดตั้งประตูไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงติดสายอยู่ ไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงติดตั้งกรอบเช็ดหน้าไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงทาสีขาวไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงทาสีดำไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงทาสีเหลืองไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงมุงหลังคา ไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงผูกมัดหลังคาไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงติดไม้หลบหลังคาไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงปฏิสังขรเสนาสนะที่สุดโสมไม่พึงให้นวกรรมด้วยอาการเพียงขัดถูไม่พึงให้นวกรรมยี่สิบปี ไม่พึงให้นวกรรมสามสิบปีไม่พึงให้นวกรรมตลอดชีวิตไม่พึงให้นวกรรมวิหารที่สร้างเสร็จแล้วชั่วเวลาแห่งควันไฟรูปใดให้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุให้นวกรรมวิหารที่ยังไม่ได้สร้าง หรือที่สร้างค้างไว้ให้ตรวจดูวิหารเล็กแล้วให้นวกรรม5ถึง6ปีให้ตรวจดูงานในเรือนมุงแถบเดียวแล้วให้นวกรรม7ถึง8ปีให้ตรวจดูงานในวิหารใหญ่หรือปราสาทแล้วให้นวกรรม10ถึง12ปี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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงรับนวกรรมแล้วมอบให้ผู้อื่นรูปใดรับนวกรรมแล้วมอบให้ผู้อื่นต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรับนวกรรมแล้วกีดกันเสนาสนะของสงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงรับนวกรรมแล้วกีดกันเสนาสนะของสง์รูปใดกีดกัน ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถือเอาที่นอนอย่างดีแห่งหนึ่งสมัยนั้น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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้กีดกันไว้ชั่ว3สามเดือนฤดูฝนแต่ไม่ให้กีดกันไว้ตลอดฤดูกาลสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายรับนวกรรมแล้วหลีกไปบ้าง ศึกบ้างมรณภาพบ้างปฏิญญาเป็นสามเณรบ้างปฏิญญาเป็นผู้บอกคืนสิกขาบ้างปฏิญญาเป็นผู้ต้องอันติมะวัตถุบ้างปฏิญญาเป็นผู้วิกลจริตบ้างปฏิญญาเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านบ้างปฏิญญาเป็นผู้กระสับกระสายเพราะเวทนาบ้าง ปติญญาเป็นผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตบ้างปติญญาเป็นผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตบ้างปติญญาเป็นผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ยอมสลัทิฏฐิบาบบ้างปติญญาเป็นบรรเดาบ้างปติญญาเป็นคนลักกระเพทบ้าง ปติญญาเป็นผู้เข้ารีตเดียรถีบ้างปติญญาเป็นสัตว์ดเดี๋ยาฉนบ้างปติญญาเป็นผู้ฆ่าบิดาบ้างปติญญาเป็นผู้ฆ่ามารดาบ้างปติญญาเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์บ้างปติญญาเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณีบ้างปติญญาเป็นผู้ทำสง์ให้แตกกันบ้าง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 สงฆ์ไม่พึงให้นวกรรมแก่ภิกษุอื่นด้วยสั่งว่านวกรรมของสงฆ์อย่าได้เสียหายภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วสึกมรณภาพปติญญาเป็นสามเณรปติญญาเป็นผู้บอกคืนสิกขา ปตินยาเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุปตินยาเป็นผู้วิกกลจริตปตินยาเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านปตินยาเป็นผู้กระสับกระสายเพราะเวทนาปตินยาเป็นผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตปตินยาเป็นผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัต ปติญญาเป็นผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปปติญญาเป็นบรนดอกปติญญาเป็นคนลักก ah. ะเพทปติญญาเป็นผู้เข้ารีดเดียรถีปติญญาเป็นสัตว์ดียรฉานปติญญาเป็นผู้ฆ่าบิดาปติญญาเป็นผู้ฆ่ามารดาปติญญาเป็นผู้ฆ่าพระอรหรันต ปติญญาเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณีปติญญาเป็นผู้ทำสงให้แตกกันปติญญาเป็นผู้ทำร้ายพระศาสดาจนห่อพระโลหิตปติญญาเป็นอุพะโตพยัญชนกสงพึงให้นวกรรมแก่ภิกษุอื่นด้วยสั่งว่านวกรรมของสงอย่าได้เสียหาย ภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วลีกไปเมื่อยังทำไม่เสร็จสงฆ์พึงมอบนวกรรมให้ภิกษุอื่นด้วยสั่งว่านวกรรมของสงฆ์อย่าได้เสียหายภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุรับนวกรรมแล้วศึกไปเมื่อยังทำไม่เสร็จมรณภาพปฏิญญาเป็นอุพัโตพยัญชนกสงพึงมอบนวกรรมให้ภิกษุอื่นด้วยสั่งว่านวกรรมของสงอย่าได้เสียหายภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุรับนวกรรมแล้วหลีกไปเมื่อทาเสร็จแล้วนวกรรมนั้นตกเป็นของภิกษุนั้นเองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วศึกไปเมื่อทาเสร็จแล้วมรณภาพปฏิญญาเป็นสามเณรผู้บอกคืนสิกขา ต้องอันติมวัตถุสงเป็นเจ้าของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วพอทำเสร็จก็ปฏิญญาเป็นผู้วิกลจริปรตปฏิญญาเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านปฏิญญาเป็นผู้กระสับกระสายเพราะเวทนา ปติญญาเป็นผู้ถ <in> ูกลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติปติญญาว่าเป็นผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติปติญญาเป็นผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปนวกรรมนั้นตกเป็นของภิกษุนั้นเองภิกษุทั้งหลาย นหนในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วพอทําเสร็จก็ปฏิญญาเป็นบรันดอกปฏิญญาเป็นคนลักษณะเพศปฏิญญาเป็นผู้เข้ารีดเดียรถีปฏิ ญ, ญาเป็นสัตว์เดีร์ฉานปฏิญญาเป็นคนฆ่าบิดาปฏิญญาเป็นคนฆ่ามารดาปฏิญญาว่าเป็นคนฆ่าพระอรหรันต